วันนี้เราก็จะได้เดินทางกันต่อนะหลังจากที่ได้พักชาร์จแบตไปวันหนึ่งดูแบตเสื่อมหรือเปล่าไมครัอาบน้ำร้อนสองวันรู้สึกเหนื่อยกว่าอาบวันเดียวเราเองก็ต้องนะ เดินทางนะนะการเดินทางก็มีมาตั้งนานละนะการเดินนะเดินทางออกหาสแสวงหาธรรมะนะก็ดีนะหรือว่าสมัยก่อนก็เดินทางเพื่อ <c oughs> เพื่อสอนธรรมะก็ดีนะเหมือนพระพุทธเจ้าเองก็ออกจากออกจากวังนะแรกแรกก็ใช้ม้า แต่พอปงผมเสร็จแล้วก็อาศัยการเดินนะเพื่อสแสวงหาครูบาอาจารย์นะสแสวงหาที่สงบสงัดเพื่อเพื่อทดลองนะหาทางที่จะพ้นจากความทุกข์นะพระโมคคานะพระสารีบุตรนะก็ออกจากบ้านนะนะเดินทางไปหาครูบาอาจารย์นะ เดินทางหาผู้รู้นะผู้บาอาจารย์นะสมัยหลวงปู่มั่นนะลูกศิษย์หลวงปู่มั่นก็เดินทางนะจาดิกทุดงเพื่อนะหาป่าหาถ้ำนะที่สงบสงัดเพื่อบําเพ็ญเพียรภาวนาก็ดีเรียว่าส่วนใหญ่นะก็เดินทางเพื่อเพื่อสแสวงหาธรรมะ นะหาสถานที่ที่สัายะนะหาบุคคลที่สัายะนะหาโอกาสในการได้ฝึกหัดตัวเองได้เต็มที่นะี่ก็คือการเดินทางสแสวงหาธรรมะนะหรือจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะอย่างที่พระพุทธเจ้าพอท่านจำภาษาครั้งแรกนะที่ที่สารนาศนะป่าอิสิ ป, ปัตนะ มรดทายวันมีปัญจวัคคีนะเป็นลูกศิธิ์รุ่นแรกนะมีพระที่บรรลุธรรมตามไปอีกนะรวมๆประมาณหกสิบรูปนะนะก็หลังจากนั้นพระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยจารัถพิขเวนะจาริกังฮิตายะจาริกังสุขายะ โลกานุกรรมปายะน ะ, นะพิสุทธิ์ทั้งหลายนะเธอจงเที่ยวไปนะตามที่ต่างๆนะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนทั้งหลายนะก็เหมือนให้พิสุทธ์ทั้งหลายก็เที่ยวจาริกไปแยกย้ายกันไปนะคนอาทิตย์คนาทางนะไปเพื่อเพื่อไปแนะนําสั่งสอนนะให้ชนทั้งหลายได้พบความสุขที่แท้จริงนะ ความสุขที่แท้จริงก็คือการพ้นทุกขเนะีโดยสิ้นเชิงนะั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงอันนี้ก็อันนี้ก็พระพุทธเจ้าเองแล้วก็สา ว, วกทั้งหลายก็จะดิกไปเพื่อเพื่อบอกสอนธรรมะนะบอกสอนทางให้ความพ้นทุกข์นะีอันนี้ก็เป็นการจะดิกการเดินทางอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะเรียกว่าไปไปเผยแผ่นะไปสั่งสอน ไปบอกทางไปจุดตะเกียงนะให้กับคนที่ยังหลงทางอยู่ให้ได้พบทางนะเราเองก็ต้องตอบตัวเองให้ได้เหมือนกันนะ เ, ออเราเดินทาง เ, ออเพื่ออะไรแบบนี้เนาะพอมีงานบางทีใจมันก็จะคิดเรามาเดินธุ ด, ดงค์ทำไมวะอะไรนะหรื อ, อบางทีก็อยากก็นั้นหน่อย ผู้มาเดินทําไมวะให้เหนื่อยนีมันก็จะเกิดคําถามแบบเนี้ยขึ้นในใจนะเี่ยถ้าเราตอบตัวเองไม่ได้นะมันก็เอ่อจะเกิดความท้อเกิดความเบือ่อเกิดความอยากจะทอยอยากจะกลับขึ้นมาเราเองก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าอืมเราเดินทางเนี่ยจะทุ ด, ดงเพื่ออะไรเนาะอืม เราต้องมีคำตอบด้วยตัวของเราเองนะไม่ใช่คนอื่นตอบให้นี่ก็ให้เราได้ระลึกทบทวนในใจของเราเองนะเราเดินทางเพื่ออะไรเรามาทุดดงเพื่ออะไรจุดหมายที่เราต้องการหรือสิ่งเป้าหมายที่เราอยากจะฝึกฝนคืออะไรเราก็ต้องตอบตัวเอง นี่ถ้าถ้ามันเกิดคำถามขึ้นในใจนะเราก็ต้องหาคำตอบให้กับตัวเราเองให้ได้หรือพวกหนึ่งนะอาจจะใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะนีะ่คือพวกแรกคือมีคำตอบนะเมื่อมีความสงสัยมีคำถามขึ้นมาก็ก็มีคำตอบให้กับตัวเราเองให้ได้หรืออีกส่วนหนึ่งนะนีะ่ถ้ามันเกิดคำถามเกิดความสงสัยขึ้นมานะนีะ่ เรามาทำไมวะนะเราเดินทาไมอยู่นะ <c oughs> บางคนอาจจะใช้วิธีว่ากลับมารู้สึกตัวเลยกลับมาอยู่ที่กายเลยเราก็จะเห็นว่าเออเมื่อกี้มันสงสัยแต่พอกลับมารู้สึกตัวปุ๊บนะความสงสัยก็หายไปนะทันทีนะคือเหมือนเมื่อมันไม่มีความสงสัยนะก็ไม่ต้อง มีคำตอบก็ได้ก็จะเห็นว่าเออพ อ, พอความสงสัยเกิดขึ้นมานะพอเรากลับมารู้สึกตัวนะมันก็เหมือนไม่มีคำไม่มีคาถามนะมันก็ไม่จำเป็นต้องมีคำตอบก็ได้เราก็ดูแบบนี้ก็ได้นะนะพอเกิดความสงสัยขึ้นมานะเรากลับมารู้สึกตัวทันทีเลยเราก็จะเห็น มันก็จะหมดคำถามลงไปในใจนะอันนี้แบบแบบที่สองนะเราจะทำแบบนี้ก็ได้หรือนนแบบหนึ่งนะโดยไม่ต้องพยายามกลับมารู้สึกตัวก็ได้นะไม่ต้องพยายามนะแต่ดูดูเอาก็ได้นะความสงสัยนะมันโผล่ขึ้นมานะก็ดูไปนะไม่ต้องพยายามจะให้มันหายหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ก็จะเห็นว่าสักพักหนึ่งนะความสงสัยก็หายไปของมันเองอันนี้เรียกว่าดูเฉยๆก็ได้นะดูดูความรู้สึกดูความคิดที่มันเกิดขึ้นมานะก็จะเห็นว่าความสงสัยนะเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ความสงสัยก็ดับไปของมันเองเห็นสภ า, าวะการเกิดดับนะของความสงสัยนะ ความสงสัยก็ไม่ได้อยู่ตลอดเวลานะความสงสัยเกิดขึ้นมาช่วขนาดหนึ่งนะแล้วมันก็ดับไปนะอาจจะเกิดขึ้นใหม่อีกนะแล้วก็ดับไปอีกนะอันนี้ก็ดูแบบนี้ก็ได้นะอันนี้มันเป็นมันเหมือนเป็นสามทางเลือกก็ได้นะเราจะเราจะทเราถนัดหรือว่าเราจะลองเรียนรู้ใช้วิธีแบบไหนก็ได้นะเช่น เมื่อเกิดความสงสัยขึ้นมาเรามีคำตอบนะนะตอบคำถามนยะที่มันค้างคาใจของเราให้ได้นะมันต้องตอบไ ด, ด้ด้วยตัวของเราเองเลยนะบางทีไปเที่ยวาถามคนอื่นว่าคำตอบที่ถูกต้องนะมันคืออะไรบางทีมันก็ไม่ใช่คำตอบของเราเองนะเราเองก็ต้องตอบตัวเองให้ได้นะเรามาทำไมนะเราต้องการอะไร สิ่งในที่เราแสวงหาเนี่ยอันนี้ถ้าเรามีคําตอบเล็กตัวของเราเองเนี่ยก็มันก็จบได้เหมือนกันหรืออย่างที่สองเนี่ยแหละนะจะเกิดความสงสัยเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาก็แล้วแต่นะลองกลับมารู้สึกตัวโดยเฉพาะกลับมาหาร่างกายนะกลับมาดูร่างกายที่เดินกลับมาดูร่างกายที่กําลังหายใจเข้าหายใจออกอนะไรแบบนี้ย กลับมาอาศัยกายเป็นเป็นเครื่องมือนเป็นอุปกรณ์ในการกลับมานะเพราะว่าความสงสัยก็ดีความคิดก็ดีมันคือมันคือนามนะมันคือจิตใจนะพอกลับมาอยู่กับร่างกายปุ๊บนะ่ยเออตรงนั้นมันก็มันก็จบไปของมันเองนะแต่นี่นก็คือใช้ความตั้งใจนะใช้นะกลับมากลับมาหารูปกลับมาดู รูปนะเคลื่อนไหวอันนี้ก็ได้เป็นวิธีที่สองหรือวิธีที่สามก็อย่างที่ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะดูไปเฉยๆนะมันเกิดขึ้นมาก็เห็นมันนะมันจะดับไปเมื่อไหร่ก็รู้ทันมันนะในระหว่างนั้นก็ไม่ต้องพยายามที่จะต้องให้มันดับนะก็ดูไปนะมันเกิดก็รู้มันดับก็รู้มันยังอยู่ก็รู้นะ ดูแบบนี้ก็ได้นะเราก็จะเห็นว่าที่จริงความสงสัยก็ดีความคิดต่างๆก็ดีนะนะี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่สักพักหนึ่งนะแล้วก็ดับไปเนะี่ยมันก็มีเหตุมีปัจจัยนะอยู่นานก็มีเหตุมีปัจจัยนะอยู่ไม่นานก็มีเหตุมีปัจจัยนะแต่สิ่งที่เราจะเข้าใจก็คือนะเนี่ยเออสภาวะต่างๆนี่มัน มันเกิดขึ้นชั่วงขณะหนึ่งเท่านั้นเราก็ดูอารมณ์แบบนี้ก็ได้ดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้เนอะอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องความสงสัยนะแต่จริงเรื่องอื่นๆนะมันก็ถ้าเราวางใจนะคล้ายๆกันมันก็ก็ดูคล้ายๆกันนะั่นแหละเนอะในระหว่างที่ เราเดินทางเองก็ดีนะมันก็จะมีอารมณ์หลายอย่างเกิดขึ้นมานะทงความสุขก็ดีนะความทุกข์ก็ดีนะความยากลำบากก็ดีหรือบางช่วงก็รู้สึกสบายนะ่ปลอดโปร่งร่งก็ดีนะ เ, ออเราก็ดูตัวเราเองให้ได้ดูให้ทันนะไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งที่จ่้องเกิดขึ้นแน่นอนนะในระหว่างที่เราเดินทาง ไม่มีอะไรดีทั้งหมดนะแล้วก็ไม่มีอะไรเดีวทั้งหมดต่างนะะแต่สำหรับผู้ที่มีปัญญาเราจะเข้าใจอ๋ออืมอันนี้ดีก็ตามนะอันนี้ไม่ดีก็ตามนะล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยนะอืมล้นเกิดขึ้นมาขนาดหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมนะรู้สึกเนอาตมารู้สึกบางที ไอท้ที่ไอ้ที่มันรู้สึกว่ามันเป็นด้านดีของเราเองนะบางทีมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคือมันก็จะหลอกให้เราไปติดมันไปหลงกับมันก็มีนะด้านดีของทุกคนมันก็มีแตกต่างกันนะด้านไม่ดีก็แตกต่างกันนะ บางทีด้านที่ไม่ดีเราก็พยายามจะแก้ไขแต่ด้านที่ดีบางทีเราก็พยายามจะรักษาไว้มันก็ดีเหมือนกันนะแต่บางอย่างการรักษาอะไรบางอย่างบางทีก็บางทีถ้ามันเป็นความยึดติดถือมั่นมันก็เป็นมันดีแบบไม่แบบไม่ดีก็มีนะอืมอันนี้ก็ดูดูเอานะดูดูเอาบางทีมันก็ มันต้องเป็นประสบการณ์ด้วยตัวของเราเองนะการปฏิบัติธรรมก็ดีนะการจาริกตุดงก็ดีนะ่ะมันเหมือนมันเพิ่มประสบการณ์นะประสบการณ์ชีวิตนะประสบการณ์ที่เราได้เจอกับสภาวะธรรมต่างๆนะได้ลองถูกลองผิดนะนะนะแล้วเราก็จะเห็นด้วยตัวของเราเองแหละนะเอนะ เห็นนะเห็นด้วยตัวของเราเองก็เห็นว่าทภาวะมันเกิดขึ้นมาแะจิตมันไปยึดมันหรือว่าแค่รู้แล้วก็ปล่อยมันเนี่ยเราก็ดูมันนะทพภาวะอารมณ์เกิดขึ้นมามันสุขเกิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้เฉยเฉยหรือเรารู้แล้วเราก็พยายามยึดไว้รักษาไว้ประคองไวนะทภาวะทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้เฉยเฉยหรือว่าเรา เราไม่ชอบมันเรารังเกียจมันไม่อยากให้มันเกิดอยากให้มันดับไม่อยากอยู่อะไรนะี่นะกุศลเกิดขึ้นมาอากุศลเกิดขึ้นมานะจิตใจรู้สึกอย่างไรนะมีปฏิกิริยาต่ออาการนั้นอย่างไรนะแตกต่างกันหรือเปล่าเนะี่ยเราก็ดูมันนะมั น, นแต่สิ่งสําคัญผมว่านะคือการรู้สึกซื่อเนี่ย ฝึกจนทั่งแบบประสบการณ์ในการเห็นความสุขเห็นความทุกข์เห็นความดีเห็นความไม่ดีนะเห็นความชอบเห็นความไม่ชอบจนจนมันรู้สึกมันซื่อซื อ, ซอมันกลางกลนะกับสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้เนะี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่เราเองต้องอาศัยประสบการณ์นะลองดูว่ามันติดยังไรนะมันปล่อยยังไรนะ เนะี่ยมันรู้เนะี่ยรู้แบบไหนรู้ซื้ อ, อรู้แบบไหนรู้เราไม่ซื่อเนะี่ยรู้เราไปยึดเนะี่ยรู้เราไปชอบรู้เราไม่ชอบเนะีนะ่ยอันนี้คือสภาวะที่เนะี่ยก็ต้องเรียนรู้ดูนะซึ่งมันจะมันเป็นทางที่มันเป็นทางที่ครูบาอาจารย์ท่านเดินมาเนาะเราเองก็เดินตามทางแบบนั้นแหละนะ แต่จะดิดนิสัยของแต่ละคนแต่ละท่านก็อาจจะแตกต่างกันบ้างก็ก็ต้องลองเอานะลองเอามีผิดมีถูกแต่เราก็ต้องรู้ด้วยตัวของเราเองนะมันถูกผิดอย่างไรนะแต่จริงผิดถูกมันพอรู้ปุ๊บมันก็ปล่อยมันก็วางของมันเองนั่นแหละนะนัะกก็ก็ฝากไว้ครับนะ